เรื่องพระเรวัตเถระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในบุพารามของนางวิสาขามหาอุบาสิกาทรงปรารภพระเรวัตเถระดังจะกล่าวให้พิสดารว่าภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าน่าอัศจริงสามเณรมีลาบน่าอัศจร ส, สามเณรมีบุญ สมเณรแม้เพียงรูปเดียวสร้างเรือนยอดห้าร้อยหลังเพื่อภิกษุห้าร้อยรูปได้ด้วยเหตุจากภายหลังด้วยการได้ไปพักที่ป่าไม้สแกวรของสมเณรเรวตะกับพระศาสดามาแล้วพระศาสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุญย่อมไม่มีแก่บุตรของเราบาปก็ไม่มีแก่บุตรของเรา บุญละบาปเธอละเสียแล้วดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถ า, าว่าผู้ใดล่วงบุญละบาปทั้งสองและละกิเลสเครื่องคล้องในโลกนี้เสได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่มีความโศกมีธุลีไปปราดแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วว่าเป็นพรามในการจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แหละคำว่าบุญและบาปเธอละเสียแล้วตรงกับคำว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมในกุกุโรวาทสูตรกล่าวคือบุญบังนิพพานบาปก็ไม่ดีบุญก็ไม่เอาไม่เอาทั้งบุญและบาป แม้บุญความดีก็ให้ทิ้งถ้าไม่ทิ้งบุญไม่ละบุญก็ต้องไปเสวยบุญคือต้องไปเกิดไปรับบุญความดีนั่นอีกเมื่อเกิดก็ยังต้องทุกข์อยู่พระกีนาศพอริยเจ้าทั้งหลายท่านละได้ทั้งบุญและบาปข้อนี้ตรงกับคำว่าบุญบางนิพพาน